คณะกรรมาการที่รับผิดชอบในงานนี้และคัดเลือกสถานที่พระราชทานเพลิงคือ 1. สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารกทม 2. พระอาจารย์มหาบัวญาณสัมพัโนวัดป่าบรรดาอุดรธานี 3. พระอาจารย์บุญเพงเขมารพิระโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำคลองเพลินอุดรธานี 4. พระเทพสุเมธีเจ้าคณะภาคสิทธิ์ 5.